บอกว่าซึ่งใจกันแค่ไหนที่ s <S ม mystery, ีฉันอยู่เมื่อเธอต้องการได้เสมอตอบสนองเมื่อเธอเหงาเธอมีฉันเป็นที่พึ่งพาและสุดท้ายเธอก็ยังมีฉันบอกมาแล้วได้ยินแล้วก็รับรู้ ที่เธอนั้นพูดว่าขอบใจที่มีฉันอยู่เพเป็นพื้นเธอแต่ว่าฉันอยากจะถามเป็นคำถามที่ไม่ยากเกินความเข้าใจสิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่เสมอ เ่าบทุครั้งบว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีแต่ละครั้งก็ทำได้แค่ฟังแต่ว่าฉันอยากจะถามเป็นคำถามที่ไม่ยากเกินความเข้าใจสิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่เสม ฉันแต่ว่าฉันมีใครเมื่อฉันเหงามีสิ้นไหมได้พบเธอ